สาพฤษภาปีที่แล้วตารมาได้มีโอกาสไปสอนธรรมะที่เมืองกวางโจวประเทศจีนเสร็จจากการอบรมก็ถือโอกาสไปเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญของบุคคลท่านหนึ่งนะ mm. ก็คือท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลางนี่เป็นพระที่ชาวจีนทั้งประเทศโดยเฉพาะทางภาคใตน้นับถือมาก เปรียบไปก็เหมือนกับที่เราคนไทยนับถือหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตนี่เป็นอันดับต้นๆของพระเก่าแก่ที่คนไทยนับถือท่านเวหลังก็เหมือนกันนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่นำคำสอนทางพุทธศาสนาแบบบรรลุธรรมฉับพลันมาเผยแพร่แล้วก็แพร่ขยายไปถึงประเทศญี่ปุ่น ที่เรารู้จักกันว่าลทัทธิเซนนิกายเซนเนี่ยก็มาจากคาสอนท่านเว่ยหลางที่ประเทศจีนประวัติท่านน่าสนใจนะเพราะว่าท่านคนเชื่อท่านบรรลุธรรมตั้งแต่ยังเป็นคารวาสนะยังไม่ได้บวชพระก็ได้บรรลุธรรมแล้วทั้งที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตอนเป็นหนุ่มนี่ยากจนมากนะต้องไปทรง ท่งมีอาชีพผ่าฟืนวันหนึ่งเอาก็ฟืนไปส่งร้านค้าแห่งหนึ่งก็บังเอิญได้ยินคนในร้านกำลังสวดมนต์ที่ชื่อว่าปัญญาปรมิตาหลุหทัยสยูตรคนสวดก็คงสวดไปตามประเพณีนะแต่ว่าท่านเวรหลังได้ยินก็ปัญญาก็ลุกโผล่ขึ้นมา เพราะว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากแต่ว่าท่านว่วยหลังเข้าใจคงเป็นอัจฉริยะนะทั้งที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็เลยไปหาวัดนะที่จะสอนธรรมที่ลึกซึ้งก็ไปเป็นคนทาครัวนะหาบน้าผ่าฟืนแต่ว่าธรรมะนี่ลึกซึ้งกว่าพระในวัสิกจะเป็นรองก็แต่จเจ้าอาวาส น, นะซึ่งเป็น สังฆราชนะเรียกว่าสังคปรินายกตอนหลังความสามารถของท่านเบ้อหลังในทางธรรมก็เป็นที่ปรากฏแต่ว่ารู้กันไม่กี่คนนะสังฆราชก็เลยมอบตําแหน่งสังคปรินายกให้เป็นองคนะ์ที่หกนะตอนนั้นที่ยังไม่บวชเลยนะมาบวชจริงๆที่วัดวัดหนึ่งนะวัดกวงเซี่ยวนะที่เมืองกวางโจววันนี้ก็คนจริงก็นับถือมากนะ ผ่านมาพ300ปีแล้วนะก็ยังมีร่องรอยนะของท่านเวลางอยู่ทั้งบ้านเกิดแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ต่างจากเมืองไทยนะเมืองไทยนี่ทุวนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตำแหน่งแห่งที่หรือบ้านเกิดของหลวงพ่อโตนี่อยู่ไหนท่านั่งที่ท่านก็เป็นคนเมื่อ200กว่าปีนี่เองท่านเวลางนี่1ันสามปีนะ ก่อนสุโคไทยอีกแต่ว่าคนจีนนี่เขารู้หมดนะบ้านเกิดท่านอยู่ไหนตรงจุดไหนที่เป็นบ้านที่ท่านอยู่อาศัยจุดไหนที่ท่านทำอะไรพันสรอปีนี่เขายังอนุรักษ์เอาไว้ยังจดจำเล่าขายหนังสืบมาแต่ของเรานี่นะย้อนถอยหลังไปได้อย่างมากก็สองรอยปีหรือถอยไป200รอปีก็ยังไม่รู้เลยรายละเอียด ของหลวงพ่อโตนี้เกิดตรงไหนนะบ้านอยู่ตรงไหนไม่รู้นะไอ้วัดวงเซี่ยวเนี่ยเป็นมีเกร็ดประวัติสําคัญอันหนึ่งก่อนที่ท่านบวชท่านเพิ่งมาถึงใหม่ๆนะตอนนั้นก็เรียกว่าหนีภัยมาคนตามลาก็หนีเตระเซกระเซิงมาเพราะมีคนอิจฉาที่ท่านได้ตําแหน่งสังฆปรินายกอง์ที่หกนะอยากได้ท่านก็เลยต้องหนีมา แล้วก็มาถึงเมืองกวางโจมาที่วัดตวงเซี่ยวตอนนั้นกําลังมีการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งคนไปฟังล้นหลามจนกระทั่งล้นทะลักออกมาที่ข้างนอกที่ที่ลานก็ระงที่ท่านแสดงธรรมอยู่นะหมายถึงอาจารย์ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาคนหนึ่งก็ไปเหลือบเห็นทงที่ที่ปักปลิวสวายอยู่ข้างบน มีธงทิวหรือประดับเยอะก็มีคนเห็นธงมันปลิวพริว้วก็พูด่าเนี่ยธงมันไหวพูดกับเพื่อนนะแต่เพื่อนบอกไม่ใช่ธงไหวลมมันพัดไหวต่างหากทีแรกก็เถียงกันสองคนว่าธงไหวหรือว่าลมไหวตอนหลังคนที่อยู่ข้างๆก็รอบๆก็ร่วมวงด้วยนะก็เลยแบ่งเป็นสองกลุ่มนะ ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลนะว่าธงมันไหวหรือว่าลมมันพัดไหวอาจารย์แสดงทำไงไม่สนใจแล้วคนที่อยู่ข้างนอกศาลาก็จับกลุ่มขยายใหญ่มากขึ้นจากการถกเถียงกันว่าลมไหวหรือธงไหวก็กลายเป็นการโต้เถียงเริ่มมีอารมณ์นะนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลแล้วก็เชื่อในเหตุผลของตัวการที่กําลังเถียงกันอย่างอย่าง เริ่มจะร้อนแรงนะท่านไว้หลังก็พูดโพรงขึ้นมาเลยว่าใจของท่านต่างหากที่ไหวพอคนได้ยินแค่นี้ก็ก็หยุดเลยนะอึ้งเลยเลยนะเพียงแค่คำพูดที่ว่าใจของท่านต่างหากที่ไหวเนะี่ยก็อึ้งเลยเพราะอะไรเพราะว่าคำพูดนี้เตือนให้กลับมาดูใจของตัวให้กลับมารู้ตัวว่า กำลังโกรธแล้วนะกำลังขุนเคืองใจแล้วนะเรื่องนี้ก็คนอาจารย์ใหญ่ตอนหลังก็ได้ได้รับทราบก็เลยรู้ว่าท่านเวรหลังนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะก็เลยบวชให้ตอนนั้นท่านก็อายุสามสิบแปดแล้วอันนี้ก็เป็นตํานานเกตุเล็กๆตอนหนึ่งนะของท่านเวรหลังที่ชี้ชี้เตือนให้เราเนี่ยนะอย่าไปมัวถกเถียงกัน หรือว่าส่งจิตออกนอกนะจนลืมใจของตัวพระสองกลุ่มเนี่ยเถียงกันเนี่ยนะเอาเป็นเอาตายนะลมไหวหรือว่าทงไหวแต่ว่าลืมดูใจของตัวมันจะมีประโยชน์อะไรนะรู้ว่าทงไหวหรือว่าลมไหวแต่ว่าใจกําลังโกรธนะเพราะตอนนั้นเนี่ยไฟโทรศัพมันก็เริ่มนะกอตัวขึ้นมา เราก็กำลังเผาใจของเราเผาใจของตนอยู่คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะไปสนใจสิ่งนอกตัวจนกระทั่งลืมดูใจของตนยิ่งเป็นคนคิดเก่งนะเป็นคนฉลาดเนี่ยมันยิ่งไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งนอกตัวได้ง่ายเรากลับมาลืมดูใจของตัวธรรมชาติให้ ให้สิ่งสิ่งหนึ่งนะกับเราเพื่อที่จะใช้ในการดูใจของเราสิ่งนั้นเรียกว่าสติเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับรู้สิ่งภายนอกนแต่ธรรมชาติไม่ได้ให้แค่อายตนานันนาอันั้นเป็นเครื่องมือสำหรับรับรู้อันตรายที่มาจากภายนอกแต่ว่าธรรมชาติยังให ตาในคือสติเพื่อรับรู้เวลาเกิดอันตรายในใจของเราพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยอันตรายมีสองอย่างอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็เช่นเสืองูนะหรือว่ายาพิษหรือว่าภาัยอันตรายจากธรรมชาติรวมทั้งศัตรูปรปักษ์ ก้อนหินหนามแหลมไอ้พวกนี้เรียกว่าอันตรายจากภายนอกอันตรายที่เปิดเผยส่วนอันตรายที่ปกปิดก็หมายถึงเนี่ยความโกรธความโลภนะความอิจฉาหรืษยารวมไปถึงความเศร้าเสียใจความถือตัวพวกที่เป็นอันตรายที่ปกปิดคือมองไม่เห็นไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าสามารถจะรับรู้ได้ด้วยใจ ใจรู้ได้ยังไงใจรู้เพราะมีสติสตินี่เรียกว่าตาในของใจคนเรานี่อยู่รอดไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะถ้าไม่มีสติหรือตาในถ้าเรารู้แต่เพียงอันตรายจากภายนอกนะเราคงจะไม่รอดมาถึงทุกวันนี้แต่า ก, การที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถจเจาตัวรอดมาได้นะแล้วก็เป็นเลิศ หรือโดดเด่นหรืยกับสัตว์ชนิดอื่นก็เพราะเรามีตาในนะคือสตินอกจากปัญญานะปัญญาก็มีส่วนสำคัญมากนะแต่ถ้าไม่มีตาในนี่ก็ยากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้ตาในกันละเราก็ปล่อยให้ความทุกข์มันท่วมใจได้ง่ายเวลาตากระทบรูปหูได้ยินเสียงนะถ้ามันเป็นรูปหรือเสียงที่น่าพอใจ ให้ความสุขนะก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่ามันทําให้เกิดความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองใจเนี่ยนะอันนี้อันตรายนะเพราะว่าคนที่สะสมปล่อยให้ความโกรธความเศร้าความเสียใจสะสมไปนานๆนี่ก็ทําให้อายุสั้นได้ง่ายนะเพราะว่าความดันขึ้นบ้างนะเป็นโรคอะไรต่อหลายๆอย่างรวมทั้งโรคทางจิตด้วย ถ้าตัวตายก็ไม่น้อยนะหรือไม่ก็ไปหันหันไปหายาเสพติดเพื่อจะไประ ง, งับให้ความทุกข์ใจคนที่เข้าหายาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะทุกข์ใจทั้งนั้นนะแต่ว่ายิ่งไปพึ่งพายาเสพติดมันก็ยิ่งกลับทําร้ายจิตใจของตัวรวมทั้งร่างกายด้วยสุดท้ายก็ถึงแก่ชีวิตทุกขข้างนอกเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยมีน้อยลง เมื่อเทียกัสมัยก่อนเนี่ยทุกภายนอกมีเยอะมากนะสิงสาราาัตว์นะหรือว่าโรคระบาดภัยจากธรรมชาติทํามท่วมฝนแรงแผ่นดินไหวแต่เดนี้มนุษย์เราก็กำราบอันตรายหรือภัยจากภายนอกที่ให้มันลดลงไปเยอะแต่ว่าที่มันเพิ่มมากขึ้นก็คือภัยปกปิดหรือภัยจากภายใน นะความโกรธความเศร้าความเครียดความเหงานะคนเดี๋ยวนี้เหงามากนะแต่ก็ยังสู้ความเครียดไม่ได้นะคนนี้เครียดสูงมากทําไมถึงปล่อยให้ความเครียดมันคองใจนะนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักรักษาใจพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตของตนรนะักษาจิตนะ อันนี้เป็นลักษณะผู้มีปัญญาคนส่วนใหญ่นี่ก็ไปคอยระแวดระวังภัยจากภายนอกแต่ลืมดูภัยที่เกิดขึ้นกับใจของตัวจริงๆสมัยเนี้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่มันทำให้ทุกข์กายนี่น้อยลงไปเรื่อยๆนะแต่มันกลับไปเพิ่มความทุกข์ใจให้กับเรา อย่างเช่นคํานะเสียงดังเนี่ยหรือคําตอว่าดาทอติชินินทาพวกนี้ไม่ได้ทําให้ทุกข์กายเลยแต่ว่ามันทําให้ทุกใจนะบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่ได้ทําให้ทุกข์กายเลยนะเช่นเป็นสิวเนี่ยมีฝ้านะผิวแห้งผมแตกปลายนะผิวคล้านะไม่ได้ทาให้ทุกกายเลยแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้หรือ เ, เพราะวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ กลุ่มบอกุมใจมากกับเรื่องเท่านีนะ้อันนี้เลยว่าไม่รู้จักรักษาใจเสร็จแล้วก็ไปโทษสิ่งภายนอกนะไปโทษว่าคำต่อว่าด่าทอนะทำให้เราทุกขนะ์ที่จริงทำให้เราทุกข์ไม่ได้นะถ้าเรารู้จักรักษาใจดีนะไม่มีใครนะที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้อาจารย์แชส า, าโลนะ ท่านเป็นพระฝรั่งนะมาบวชที่เมืองไทยนะท่านผู้ไว้นาสนใจบอกว่าไม่มีอะไรหรือใครจะทำให้เราทุกข์ใจหรือทำให้เราโกรธไม่พอใจนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เพียงแต่มาชวนให้เราโกรธชวนให้เราไม่พอใจมันอยู่ที่ว่าเราจะรับคำเชิญหรือรับคำชวนนะหรือเปล่านะ ถ้าเรารับคําเชิญเรารับคำชวนแล้วก็ทุกเองนะที่เรารับคําเชิญรับคําชวนเพราะอะไรเพราะหลงเพราะลืมเนะพราะไม่รู้ตัวนั่นจะไปโทษคนอื่นทีเดียวก็ไม่ได้นะต้องต้องโทษใจของเรานะที่ไปเผลอรับทําไมไปเผลอรับคําชวนให้ทุกไปเผลอรับคําชวนให้โกรธได้อย่างไรนะแต่ถ้าเรารู้จักรักษาใจนะ หรือวางใจถูกวางใจเป็นนะใจก็ไม่เผลอไปรับเอาความทุกข์นะมาย่ำเยียดจิตใจได้ใครทำอะไรนะก็เป็นเรื่องของเขาไม่มาไม่มามัวโกรธไม่มามัวขุนเคืองใจเพราะรู้ว่าขุนเคืองใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อรักสี่ห้า 4, ปีก่อนนี่มันมี รายการโทรทัศน์ของช่องไทย PBS นะชื่อว่าพลเมืองเด็กเขาเอาเด็กประมาณ3คนเนี่ยมามาถ่ายมาร่วมทำกิจกรรมบางอย่างแล้วเขาก็ถ่ายคล้ายๆเป็นเรียลลิกิจกรรมก็อาจจะเป็นเลี้ยงมา้านะอาจจะเป็นการทำความสะอาดโรงเรียนนะบางทีก็เอาเด็ก78ัขวบมาบางทีก็เอาเด็กโตหน่อยคราวหนึ่งก็เอาเด็กประมาณ อายุ10 12 13เนี่ยคนผู้หญิงหนึ่งผู้ชาย2เนี่ยมาทากิจกรรมอย่างนึ่งคือขนของคือรถไฟรถไฟมันมีเวลาออกที่แน่นอนเพื่อนั้นต้องรีบขนนะแต่บังเอิญบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอ น, ะนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเขาขึ้นชกก็มีการถ่ายทอดสดเด็ก2คนเนี่ยก็แวบไปนะแวบไปดู ดูการถ่ายทอดสดที่ร้านกาแฟข้างสถานใรถไฟก็ปล่อยให้เพื่อนซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยขนของคนเดียวเด็กคนนี้ก็อายุประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยนะก็ก็ขนของนะก็ตั้งใจขนนะทั้งที่ทำคนเดียวพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดอย่างไรที่เพื่อนเขาอแอบบไปดูสมจิตขึ้นชกนะ เธอก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นแฟนสมจิตนะั้นานๆจะเห็นสมจิตชกมวยแต่หนูไม่ใช่แฟนสมจิตหนูก็ทํางานงหนูไปพิธีกรก็ยังไม่พอใจคําตอบก็เลยถามแย่เข้าไปอีกนะว่าแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งงานให้หนูทําคนเดียวนะเด็กตอบดีนะเด็กตอบว่าหนูขนของคือรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาหนูก็เหนื่อย2 อ, อย่าง คนฉลาดนี่จะเหนื่อยกี่อย่างนะคนที่รักตัวเองนี่จะเหนื่อยกี่อย่างนะคนที่รักตัวเองก็ต้องเหนื่อยอย่างเดียวนั่นก็คือเหนื่อยกายคนที่ไม่รักตัวเองหรือคนที่ไม่ฉลาดขาดปัญญาก็จะเหนื่อยสองอย่างก็คือเหนื่อยกายแล้วก็ทุกข์ใจเดี๋ยวคนนี้อายุแค่สิบสองสบสามนะแต่เขารู้ว่าถ้าเหนื่อยสองอย่างเนี่ยมันไม่ดีมันโง่นะ ถ้าจะเหนื่อยเขาเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายนะไม่เหนื่อยใจหรือไม่ทุกใจอันนี้เราไ ป, ผปญญานะาผ็ผู้มีปัญญานะเพราะผู้ผู้มีปัญญาผู้เจ้าตอบว่าคือผู้ที่หมันรักษาจิตรักษาจิตไม่ให้ทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็เหนื่อยแต่กายนะใจไม่ทุกก็คือไม่ไปไม่ไปโกรธไม่ไปบน่นไม่ไปด่าว่าเขาเป็นเรื่อ ง, ของเขาไป อย่างที่บอกไว้แล้วว่าไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้นะหมายถึงทุกข์ใจนะถ้าเรารู้จักรักษาใจไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ใจได้เลยนะแม้เพื่อนเขาจะอู้งานนะหรือว่าเขาจะทำอะไรกับเราทันทีที่เราเนี่ยหันกลับมาดูใจของเรานะความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือถึงมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้จักสลัดรู้จักวาง อันนี้คือวิสัยของผู้มีปัญญานะก็คือมันดูใจของตัวดูไปทำไมนะดูเพื่อรักษาไม่ให้ความทุกข์หรืออารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำนะโดยเพราะความโกรธนะความเศร้าเสียใจนะความเครียดหรือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นก็พยายามที่จะจัดการกับมันถาคนที่มันดูใจเนี่ยนะเขาจะไม่โทษใคร แม้คนนั้นจะทําไม่ดีกับเขาอาตมารู้จักเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อโจนจันใด์นะโจนจันใดเด่นนี้มีชื่อมากเพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาเป็นคนที่บันดาลใจให้หลายต่อหลายคนกลับไปที่ผืนดินนะทำไร่ทํานาทําสวนหรือว่าอยู่แบบเรียบง่ายสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ เขาบอกว่าตอนที่เขายังหนุม่มนี่เขาเหมือนคนทั่วไปคืออยากรวยนะเขาก็เลยไปไปหาเงินในกรุงเทพความรู้ไม่มีมากเพราะว่าเป็นคนอีสานเรียนน้อยนะมีคราวหนึ่งก็ไปเป็นพนัก ง, งานโรงแรมทําหน้าที่ทําความสะอาดห้องพักของแขกเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เจ้านายคนหนึ่งเป็นแม่บ้าน แม่บ้านคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนคือพอเจอหน้าก็ด่าเลยด่าด่าด่าดาดาเสร็จก็ไปนะมีคราวหนึง่งแม่บ้านก็บอกให้เขาเนี่ยไปไปขัดถูลูกบิดประตูในห้องพักแขกก็แนะนําว่าหรือไม่ให้แนะนําสั่งเลยนะให้ขัดด้วยัสโซ o นะ braso โ, นะโจก็ว่าง่ายนะ เขาก็ขัดนะั้นด้วยความตั้งใจขัดเกือบจะเสร็จแล้วพรากฏว่าผู้จัด ก, การเดินผ่านมาพอเห็นก็โวยเลยนะโวยใส่โจรบอกว่าขัดได้ยังไงไอ้ลูกบิดแบบนี้เนี่ยมันใช้ประโซขัดไม่ได้นะแม่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนสา่ให้เขาทํานะแทนที่จะปกป้องเขาก็กลับซ้ําเติมไปเลยนะด่าว่าเขาเนี่ยขัดได้ยังไงนะใครสั่งเนี่ยนะ โวเนี่ยแทนที่จะโกรธแม่บ้านนะตอนนั้นนี่แกกลับยิ้มนะแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าเนี่ยขอโทษครับแล้วก็พูดต่อว่าขอบคุณครับที่ตักเตือนผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาทุกครั้งที่แม่บ้านด่านะเขาก็จะยิ้มเขายกมือไหว้แล้วก็บอกขอบคุณครับทําอย่างนี้เนี่ยเป็นประจําจนกระทั่งเพื่อนเพื่อเนี่ยนะหาว่าเขาฟัน่นเฟือนนะ ไอ้ น, นี่โจรมันบ้าแล้วนะถูกถูกด่านี่กับยิ้มกับยกมือไหว้คนด่าบางคนก็หาว่าเขาโง่นะยอมให้แม่บ้านจิกหัวใช้แม่บ้านนี่มันทําอย่างนี้ได้ยังไงด่าไม่ด่ากลับก็ บ, ก บ, บุญแล้วนะแต่โจรนี่กับไหว้แต่โจรเขาก็ไม่สนใจนะเพราะเขาสึกว่าเออทําแล้วมันดีแฮนะก็ทํานี้ทุกครั้งที่แม่บ้านด่าเขาจนกระทั่งวันหนึ่งแม่บ้านอดรนทนไม่ได้ก็เลยเรียกเขามา ถามว่าเนี่ยฉันสงสัยจริงๆเลยนะทุกครั้งที่ฉันด่าเธอเนี่ยนะเธอกลับยกมือไหว้ฉันแล้วก็ขอบคุณฉันทําไมเธอทําอย่างนั้นตัวก็บอกว่าเนี่ยผมยกมือไหว้แม่บ้านนะเพราะว่าทุกครั้งที่แม่บ้านด่าเนี่ยมันเตือนให้ผมเนี่ยหันกลับมาดูใจของตัวหันมาจัดการกับความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนะแล้วก็บางครั้งผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะ แต่ว่าทุกครั้งที่แม่บ้านด่าก็ทําให้ผมกลับมาใครคขวนว่าเออในเมื่อเราไม่มีไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องโกรธนะอันนี้แหละคือเหตุผลที่ทําให้ผมเนี่ยยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณแม่ บ, บ้านทุกครั้งที่ด่าผมบอกว่าหลังจากนั้นนี่แม่บ้านนี่ไม่เคยด่าเขาอีกเลยนะหลังจากนั้นี่แม่บ้านพูดดีเขาตลอดนะส่วนโจนนี่ก็ได้นิสัยใหม่คือนิสัยที่ ไม่โกรธนะเวลาใครมาด่าว่าเวลาใครพูดนะแย้งเขาเขาก็ไม่โกรธยิ้มให้อันนี้ก็เป็นการรักษาใจนะของอคือคนที่มีปัญญาเนี่ยนะก็ต้องพยายามที่จะรักษาใจของตัวไว้เสมอแม้ถูกด่าว่านะโกรธขึ้นมาก็กลับมาดูใจของตัวกลับมาจัดการความโกรธของตัว จริงๆความกลัวเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันนะมันก็หลบหลีกหายไปนะเหมือนกับขโมยเนี่ยขโมยที่แอบขึ้นบ้านแอบเข้าบ้านเนี่ยทันทีที่เจ้าของบ้านรู้เจ้าของบ้านสบตาเนี่ยมันก็มันก็ยอมแพ้นะมันก็หนีไปเอง้เวลาถูกแม่บ้านด่าเนี่ยนะโจรเขาก็เป็นปุถุชนแล้าก็ไม่พอใจแต่แทนที่เขาจะส่งจิตออกนอกหาทางตอบโต้แม่บ้าน เขากลับมาดูใจของตัวโอเห็นละความโกรธเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนนะเวลาถูกด่าแต่ละครั้งเป็นสัญญาณเตือนให้กลับมาดูใจของเรานะนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถูกด่าเนี่ยจิตมันจะพุ่งออกไปที่คนด่าเลยนะเรียกว่าส่งจิตออกนอกคิดหาทางตอบโต้หาทางแก้แค้นหาทางด่าว่าแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขารู้ว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นผลเสียกับตัวเองเพราะว่าใจมันเผลอ ปล่อยให้ความโกรธเนี่ยเผาใจาะจะวกกลับมาดูนะตานี่มองไปที่แม่บ้านแต่ว่าใจนี่วกกลับมาดูสติวกกลับมาดูใจเห็นความโกรธเกิดขึ้นพอสติคือตาในายอยู่แล้วคนที่มีปัญญาเนี่ยพอตากระทบรูปเนี่ยสติจะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้ น, นกับใจไม่ว่าความดีใจหรือความเสียใจไม่ว่าความ อ่ายินดีหรือยินร้ายนะแต่ว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยนะพอตากระทบรูปนะจิตมันก็ถ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาจิตมันก็จะพุ่งออกไปข้างนอกเลยพุ่งไปยังคนที่ดา่าพูดไปยังคนที่พูดกระทบและอะไรที่รักษาใจไม่มีเลยไม่มีอะไรที่รักษาใจเลยมันก็เหมือนไฟนะไฟกําลังไหม้บ้านนะสมมุติว่าเราเนี่ยเห็นคนเนี่ยมาจุดไฟในบ้านเรา แล้วเขาก็วิ่งหนีไปตอนนั้นไฟก็กำลังลุกท่วมถ้าหากว่าเราเนี่ยวิ่งตามพยายามไล่จับนะคนที่จุดไฟในบ้านเราวิ่งตามเข้าไปหาทางที่จะจัดการเขากะว่าถ้าจับได้จะเตะจะต่อยเนี่ยอันนี้เป็นวิสัยคนฉลาดหรือเปล่าวิสัยคนฉลาดเนี่ยนะทั้งที่รู้นะว่ามีคนมาจุดเผาไฟในบ้านเราแล้ววิ่งหนีไปจะไม่วิ่งตามนะ แจะต้องกลับมาจัดการกับไฟในบ้านก่อนนะดับไฟในบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยไปจัดการคนที่มาจุดไฟเผาบ้านเราแต่คนส่วนใหญนะ่ไม่ได้ทำงั้นนะเวลาคนเ้าด่าเรานะทำให้เราโกรธเกิดไฟเผ า, เผาใจนะก็คิดแต่จะไปเล่นงานเขาปล่อยให้บ้านคือใจของเราเนี่ยถูกไฟแห่งโทสะเผา คนฉลาดเนี่ยเขากลับมากลับมาดับไฟในบ้านก่อนคือดับโทสะในใจนะเหมือนกับเด็กนะคนที่พูดมาสักครู่เนี่ยนะเห็นเพื่อนแว บ, บไปดูสมจิตชกนะก็คงไม่พอใจนะแต่ว่าพอมีสติรู้ว่ามีความไม่พอใจกนะ็กลับมาจัดการพอรู้ว่า ใจมันกำลังโกรธกำลังบ่นก็มาจัดการความโกรธนะไม่บน่บนผลก็คือใจเป็นปกตินะก็เหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกนะใจไม่เหนื่อยด้วยนะส่วนโจรก็เหมือนกันนะโจรเขาก็นะใช้วิธีน ะ, อะขอบคุณซะเลยนะขอบคุณพ่ออะไรเพราะว่าเห็นขอบคุณที่แม่บ้านนี่มาช่วยฝึกเขาให้กลับมาดูใจของตัว เราต้องรู้จักนะใช้สิ่ ง, งต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจนะเวลานั่งรถนะรถติดนะพวกเรานี่อยู่กรุงเทพเนี่ยรถติดเป็นประจำเวลานั่งรถเนี่ยเราไม่ชอบนะไฟแดงพอไฟแดงปุ๊บนี่จะเกิดความขุ่นมัวเครื่องใจแต่ถ้าเราลองมองสักหน่อยว่าเออไฟแดงเข้ามาเตือนนะให้เรากลับมาดูใจตอนที่เรานั่งรถเราจะฟุ้งซ่านนะ หรว่าขนาดที่รถติดเราอาจจะขุ่นมัวแต่พอเห็นไฟแดงกนะ็มาช่วยเตือนใจให้เรากลับมาดูว่านี่เรากําลังมุดยึดกำลังเครียดหรือเปล่าถ้ า, าทํานี้ได้เนี่ยเราต้องขอบคุณไฟแดงนะคนฉลาดเนี่ยใช้ไฟแดงเพื่อเตือนใจใเวลาใครด่าเราก็เหมือนกันนะใครด่าเราก็ให้ถือว่านี่เป็นเครื่องเตือนให้เรากลับมาดูใจนะถ้าทํานี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์เลยใครด่าไม่ทําให้เราทุกข์นะถ้าเรารู้จักวางใจเป็น หรือว่ารู้จักรักษาจิตด้วยสตนะิเพราะนั้นการกลับมาดูใจของตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะที่เราต้องหมั่นฝึกหมั่นทำเป็นประจํานะถ้าเรารักตัวเองหรือถ้าเราอยากจะได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาชาแนลเพื่อนเท่านี้นะครับ